ตัวเองเป็นหลักประการที่สองมีความเพียรที่ต่อเนื่องประการที่สามมีเวทนาเบาบ า, างนี่ตัวนี้เกี่ยวข้องโดยตรงประการที่สีเป็นคนซื่อคนตรงไปตรงมาประการที่ห้าเป็นคนมีสติสัมชัญยายปกติ ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนวิกลจริตผิดแผลกปกติสามารถที่จะทำให้เห็นการเกิดดับของจิตได้ถ้าผู้ใดก็ตามมีคุณสมบัติหประการนี้บางทีปฏิบัติเช้ารู้เย็นหรือปฏิบัติเย็นรู้เช้าก็มีนะเพราะนั้นในองค์ประกอบที่ปฏิบัติทำได้เข้าถึงทำได้เร็เรวเนี่ยมันมี อ, องค์ประกอบหนึ่งที่ว่ามีเวทนาเบาบางทาไมท่านจึงเน้นเวทนา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 เดสันจะโยนิโลโทจะเอวังวาธีมหสมโนแค่นี้เข้าใจได้ดวงายเห็นธรรมเลยโอ้ทำไมง่ายขนาดนั้นคนสมัยนั้นพอฟังประโยคเดียวได้ดวงายเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันมันคาถานี้สำคัญอย่างไรเยด๊บเยธรรมาเหตุวาวาบอสิ่งใดสุขสิ่งทุกอย่างในในโลกเนี่ยมันมีเหตุมันถึงเกิด